กายเขาป่งการบ่งงานขี้ให้เราสุขให้เราทุกข์ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยน้อยกระทบกระเทือนไปหลายอย่างพอมาเห็นอะกายสภาวากายเห็นแจง้งก็มันก็จบดูกายมันก็จบเรื่องของกาย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 กายบับพเพ็คือการเคลื่อนไหวสหัมประชญยะบัพเพ็คือความรู้สึกความระลึกได้มั่นคงง <c oughs> ั้นเราเหยียบดินเวลาเราเดินทางไม่ใช่เดินอยู่บนอากาศถ้าเดินอยู่บนอากาศเดินอยู่ในน้ํามันไม่มั่นคงเราเหยียบดินนี่มันมั่นคงเราก็สามารถ ไปได้ผ่านไปได้มันมีวัตถุที่จะทําให้เราเข้มแข็งไม่ต้องมีเครื่องโยกโกลด์เก๋เหมือนเรือบินที่เขาวิ่งวิ่งอยู่อากาศเรือมันวิ่งอยู่ในน้ำํำ น, นั้นเป็นอีกส่วนนะึ่งแต่ว่าเขาก็อาศัยอย่างนั้นเขาก็วิ่งไปได้แต่ว่ากายขอเราเดินอยู่บนดิน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 โอ้มีเพี้ยนเพ่งอยู่มีนิดเพ่งอยู่เมื่ออะไรเกิดขึ้นเกิบกายกับใจกิเลสมารขันธรร ม, มารมัจจุมาณสังขารมานเทพบุตร ม, มานก็มีสติไม่เพียนเพ่งอยู่มีสติอยู่ก็เหมือนอาทิตย์แสงสอาทิตย์ ทนจากทองฟ้าทำลายความมืดได้ฉันไดู้้ัวไม่เพียนเพ่งอยู่ก็ทำลายความหลงได้ฉันนั้นนีสติอยู่นีสติอยู่ก็ทำลายมานเสนามานมนจุมานได้เหมือนอ้อยเหมือนช่างที่กินอ้อยเหมือนช่างที่กินอ้อยม่วนอ้อยเข้าในปาก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 มันไม่ชัดเจนก็หลับตามองใหม่แต่หูฟังไม่ค่อยได้เย็นก็ปรับมองตั้งใจฟังใหม่ปรับให้มันชัดขึ้นมาสติบางทีมันครึ่งลู้ครึ่งหลงครึ่งลู่ครึ่งหลงในกละที่เราสร้างสติก็ไม่เราก็พยายามปรับให้มันรู้ให้มันรู้รชัดชดจังวะบับพระที่เราทำเนี่ย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 ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์มก็บอกตรงๆเห็นด้วยเห็นเห็นชัดนะแล้วก็กลับมาเราสร้างตัวลูกความหลงมอยโชเราสร้างตัวลูกความทุกข์มอยโชเราสร้างตัวลูกความสุขมอโชเราสร้างตัวลูกความหมกหมุนคุนชิตอะไรต่างๆมาโชขอให้เพียรถอะหนอยอย่าเพิ่งไปเอายากอย่าเพิ่งไปเอาง่าย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 ความสุขความทุกข์มันบังไม่ได้นะเพราะไม่มีความหลงมันบังไม่ได้ไม่ต้องไปเก้มันอันสุขอันทุกข์ไม่ต้องไปอยากได้ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเบื่อกับมันเบื่อทุกเบื่อแล้วไม่ใช่ไม่สร้างสติอย่างเดียวอย่าไปถึงความเบื่ออย่าไปถึงความชอบอย่าไปถึงความผิดอย่าไปถึงความถูก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 พระพุทธเจ้าได้ขี้ไว้ชัดเหลือเกินเริ่มแรกเอามาตั้งไว้ที่กายเพราะกายมันก็มีสติมาตั้งไว้ที่กายพอตั้งไว้ที่นี่ก็ไปล่อยได้แล้วทังดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นธรรมดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นธรรมู้ได้เห็นธรรมพวนั้นเห็นพระพุทธเจ้าคําว่าธรรมมีเยอะแยะกุศลก็มีอกุศลก็มี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 เข็นโกนธัญญาคำพูดเสียงพูดออกจากพระโอษฐ์โกนธัญญะสัมผัสอืมลูบลูบเที่ยงไหมไม่เถียงอัญญากนธัญญาก็ตอบไปเวทนาก็ไม่เถี่ยงสัญญาก็ไปเถียงสังขารก็ไม่เถียงวิญญาณก็ไม่เถี่ยงเสียงไหนไม่เถี่ยงเสียงนั่นก็เป็นทุกข์ สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั่นก็ไม่ควรไปยึดไปถือเอา้ามันบอกไปเลยบัดนะทุกข์มันก็บอกสุขมันก็บอกสิ่งควรไม่เที่ยงมันก็บอกเห็นสัมผัสไปคายค่ายกับตอบในใจว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วพระเจ้าแสดงไว้ก็รู้แล้วแม้บางทีเราปฏิบัติขณะที่เราปฏิบัติ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 เป็นที่ปฏิบัติเป็นวัดรวาอารามมีที่อยู่มีผู้บอกมีผู้สอนมีตัวมีตน้นมีข้าปลาอาหารอยู่กันแบบนี้ให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเพื่อจะไม่เปรี่ยวเดียวได้ยป็หลักเนี่ยมันมีวัดว่าอาราม